หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนให้ยึดตัวเราเป็นที่พึ่งของเราอย่าไปยึดสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเป็นที่พึ่งเพราะ เป็นสิ่งที่ไม่ถาวร น, นั่นเองไม่เที่ยงแท้แน่นอนทรงตัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรสิ่งใดที่ไม่ถาวรย่อมนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ที่ไปหวังที่จะอาศัยเป็นที่พึ่ง เป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราไม่สามารถที่จะยึดเอาไว้อยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถอยู่กับเรายึดไว้ให้เป็นของเรา อยู่กับเราได้ตลอดก็คือตัวเรานี่เองตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดนี่เองที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปมากน้อยเพียงไร่ก็ตามผู้รู้นี่คือใจนี่ จะอยู่ไปตลอดเพรูะพผู้รู้นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายไม่เหมือนสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆในโลกนี้ที่จะต้องมีวันอวสานวันเส้นสุดลงถ้าเราไปยึดไปติดไปเพื่งสิ่งที่ไม่ถาวรเช่นร่างกายของเราหรือ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเวลาที่เราต้องสูญเสียร่างกายของเราต้องสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะมีแต่ความทุกข์นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าสรงสอนให้เรานำเอาไปพิจารณาไปเตือนตัวเองอยู่เรื่อย ให้พิจารณาดูว่าสิ่งไหนบ้างที่เที่ยงสิ่งไหนบ้างที่เราสามารถควบคุมบังคับหรือเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีเลยที่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเราจะเอาไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือตัวเรานี่เองคือตัวรู้ตัวคิดนี่ดังนั้นท่าน ส, สอนว่าให้เพึ่งตัวนี้การที่จะเพึ่งตัวนี้เราก็ต้องรู้จักวิธีคิดเพราะความคิดของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันถ้าเราคิด ไปในทางที่ทําให้เรามีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าเราคิดไปในทางที่ทําให้เรามีความทุกข์เราก็จะมีความทุกข์กันความสุขและความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราภายในตัวของเราการที่เราจะคิด ไปในทางที่ทำให้เราเกิดมีความสุขขึ้นมาได้นั้นเราจาเป็นที่จะต้องพัฒนาธรรมที่มีอยู่ภายในใจของเราให้ขึ้นมาควบคุมบังคับนำพาจิตใจของเราให้คิดไปในทางที่จะสร้างความสุขให้แก่เราธรรมนี้เป็นสิ่งที่ อยู่ในใจของเราเป็นสิ่งที่เราพึ่งได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกใจเช่นร่างกายกับลาบยศ ส, สรรสญสุขต่างๆนี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกใจเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัดผาาจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว สิ่งเหล่านี้เขาตจ้าสงสอนไม่ให้ไปพึ่งไม่ให้ไปยึดไปติดเพราะจะทำให้เราจะต้องทุกข์เพราะเวลาเขามีวันที่เขาเสื่อมไปเวลาที่เขาหมดไปเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราสร้างธรรมะที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้มีพลังมีกําลังที่จะควบคุมความคิดของเราให้คิดไปในทางที่จะสร้างความสุขให้กับเราเราก็จะมีความสุขเป็นที่พึ่งไปตลอด จะไม่มีความทุกข์ภายในใจเป็นที่พึ่งเลยตอนนี้ใจของพวกเราไม่ได้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความสุขกันส่วนใหญ่จะคิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์กันเรายึงยังมีความทุกข์อยู่เพราะความคิดของเรานี้คิดให้เราไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกใจนั่นเอง คิดให้เราไปพึ่งร่างกายคิดให้เราไปพึ่งลาบยศสรรเสริญคิดให้เราไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราจึงต้องมามีความทุกข์กันกับสิ่งต่างๆที่เราอาศัยเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งที่เราพึ่งนี้เขามีการเปลี่ยนแปลง อยู่เรื่อยๆมีการเจริญมีการเสื่อมเวลาเจริญก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเวลาที่เขาเสื่อมเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจความสุขใจที่เราเคยได้รับจากการเจริญของเขามันก็หมดไปมีแต่ความทุกข์ใจ ที่เกิดจากการเสื่อมของเขานี่แหละคือความคิดของพวกเราเราไม่เคยคิดที่จะพึ่งตัวเราเองไม่เคยคิดที่จะพึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราที่จะให้ความสุขแก่เรานั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงนี้เองเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพึ่งได้นั้น อยู่ในตัวของเราเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสุขมากเราไม่รู้กันเราจึงออกไปหาสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกใจของเราเราออกไปหาร่างกายเพราะก่อนที่เราจะหาลาบยศสารเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายได้เราต้องมีร่างกายก่อนแต่ร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายไปเป็นธรรมดาเราจึงต้องมาทุกข์กับร่างกายทุก์กับการดูแลรักษาเลี้ยงดู ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยและทุกข์กับความตายความสุขที่เราได้จากร่างกายนี้มีเป็นส่วนน้อยเวลาที่เราเอาใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้นี้มันไม่คุ้มค่ากัน ถ้าเป็นการลงทุนก็ถือว่าขาดทุนต้องลงทุนมากแต่ผลผ ล, ลับนี้น้อยกว่าผลกว่าการลงทุนความสุขที่ได้นี้น้อยกว่าความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงไม่ไม่อาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ทรงสละราชสมบัติ สละราบยศสารเสรินสุขของพระราชโอรสของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ทรงออกบวชเพื่อไปพึ่งตนเองเพื่อไปพึ่งธรรมที่มีอยู่ในใจธรรมที่พระองค์ทรงพึ่งก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองทรงเจริญสติ เพื่อควบคุมความคิดปรงแต่งให้หยุดคิดปรงแต่งชั่วคราวเวลาที่สติควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรงแต่งได้จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าสมาธิอัปปนาสมาธิคณนิกะสมาธิคณนิกะสมาธิก็คือการรวมตัวความสงบของจิต ช่วงขณะหนึ่งถ้าจิตรวมตัวเลาตั้งอยู่ได้นานสงบได้นานก็เรียกว่าอปปนาสมาธิการมีสมาธินี้จะมีความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหมือนกับความสุขที่ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ ผู้ใดที่ได้รับได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็จะไม่ต้องไปหาความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะความสุขอย่างอื่นนั้นไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้เราสามารถที่จะรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอด วความสุขที่ได้จากร่างกายได้จากลาบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาเนี่เป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะรักษาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันเช่นวันที่ร่างกายนี้ตายไป พอร่างกายนี้ตายไปความสุขที่เราเคยได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆก็จะหมดไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเลิกการอาศัยร่างกายไว้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกเล้นกายได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมาเกิดใหมก่กลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกหลังจากที่เราไปใช้บุญใช้บาปก่อนไปใช้บาปในอบายถ้าบาปมีอิทธิพลมากกว่าบุญเวลาตายไปบาปก็จะดึงใจให้ไปรับผล บาปในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดลฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายไปตกนรกบ้างจนกว่าอิทธิพลของบาปนี้มีไม่พอที่จะดึงใจไว้ให้อยู่ในอบายและอิทธิพลของบุญก็ไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้ไปสวรรค์ ใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกรอบหนึ่งกลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วเวลาตายไปถ้าบุญมีอิทธิพลมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบุญเป็นบุญที่ สูงสุดคือบุญของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าก็จะดึงให้ใจนั้นได้อยู่สวรรค์ชั้นนิพพานไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือที่พึ่งของเราก็คือการสร้างบุญระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพระอาหารหันต์ บุญของระดับของพระพทเจ้าของพระอาหารหันต์ก็เกิดจากการเจริญสติทําใจให้สงบนี่เองทําใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิเพราะเมื่อใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วใจจะมีความสุขมากจะมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆที่จะไปพึ่งร่างกายไปพึ่งสิ่งต่างๆ ให้ความสุขเมื่อไม่มีความอยากที่จะดึงใจให้ไปพึ่งร่างกายไปพึ่งสิ่งต่างๆใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปนี่คือหลักคำคำสอนของ พ, พุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ใช้อัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตน ให้พึ่งตนให้พึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตนสิ่งที่มีอยู่ในตนก็คือสติสมาธิและปัญญาตอนนี้อาจจะมีตอนนี้มีแต่อาจจะมีไม่มากยังมีไม่มากพอที่จะดึงใจให้ไปสู่พระนิพพานได้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะได้ มีที่พึ่งที่ถาวรที่จะต้องหมั่นสร้างที่พึ่งนี้ขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้นี่แหละคือหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ปรารถนาที่จะมีที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่จะให้ความสุข ที่ถาวรที่พึ่งที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้ใจมีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายต้องพึ่งด้วยรมสามประการนี้คือสติสมาธิปัญญาและวิริยะคือความขยันหมั่นเพียร การที่เราจะสร้างสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาได้นั้นเราต้องมีวิริยะคือความอุตสาหพยายามความภาคเพลยนถ้าเราขี้เกียจเราจะไม่สามารถที่จะสร้างสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของเราได้เลยดังนั้นเราต้องมีความอุตสาหพยายาม พยายามเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับพยายามควบคุมใจ <c oughs> ไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้เหลือแต่สักแต่วรู้ใจนี้มีสองส่วนส่วนหนึ่งเราเรียกว่าคิดปรุงแต่งอีกส่วนหนึ่งคือสักแต่วรู้เวลาใจ หยุดคิดปรุงแต่งเราก็จะสั์แต่ว่ารู้ใจก็จะรู้แต่ม่รู้เฉยเฉยรู้โดยที่ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือคิดว่าอยากให้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้รู้เฉยเฉยการรู้เฉยเฉยนี้เป็นภาวะที่ทำให้ใจไม่มีความทุกข์ถ้าใจไปรู้ตามความคิดปรุงแต่ง ใจมักจะคิดไปในทางที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเห็นอะไรก็คิดอยากให้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นสิ่งที่ชอบก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆนถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้หายไปเร็วๆแต่สิ่งที่ใจมาสัมผัสรับรูบร้นี้ มันเป็นสิ่งที่ใจไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปเห็นสิ่งที่ชอบจะสั่งให้อยู่กับใจไปตลอดก็สั่งไม่ได้เพราะสิ่งที่ชอบนั้นก็เป็นอนิจจ์มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบจะไปสั่งให้เขาหายไป ก็สั่งไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใจที่จะไปสั่งให้หายไปได้ถ้าอยากให้เขาหายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากให้สิ่งที่ชอบอยู่ถ้าเขาหายไปเขาหมดไปเขาจากไปก็จะทุกข์แต่ถ้ารู้เฉยๆ จะไม่มีความทุกข์ถ้าเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่ไม่มีความคิดปรุงแต่งที่อยากจะให้เขาหายไปใจก็จะไม่มีความทุกข์กับการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบเวลาที่ประสบกับสิ่งที่ชอบก็ให้ประสบเฉยๆให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่ง ไม่ให้อยากให้เขาอยู่ไปนานๆานเพราะเวลาเขาจากไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ารู้เฉยๆรู้ว่าเป็นสิ่งที่ชอบแต่ไม่ไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆานเวลาเขาไม่อยู่ก็จะไม่ทุกข์ใจนี่คือการฝึกฝนอบรมใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพื่อให้ใจนั้นหยุดคิดปรุงแต่งไปกับ สิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผสัสรับรู้ให้ใจสักต่ว่ารู้กับสิ่งต่างๆที่ได้มาสัมผสัสรับรู้เท่านั้นถ้าถ้ารู้เฉยๆแล้วจะไม่เป็นปัญหาไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ไม่ว่าจะเป็นนินทาสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบถ้ารู้เฉยๆจะไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้ารู้แล้วมีความคิดปุงแต่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วนี่คือหลักการของวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ใจนี้เป็นที่พึ่งของใจไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆให้พึ่งความสงบที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้ ถ้ามีความสงบแล้วใจจะมีความสุขมากเมื่อมีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้รับจากสิ่งต่างๆก็ไม่เป็นความจำเป็นที่จะต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆอีกต่อไปตอนนี้ใจของพวกเรายัางไม่สามารถพึ่งใจของเราเองได้เพราะเรายังไม่มีความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบ เราจรึงยังต้องไปพึ่งร่างกายไปพึ่งลาบยศเสริญไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะที่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรที่เป็นสิ่งที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเราเลยต้องมีความทุกข์อยู่ต่อไปจนกว่าเราจะสามารถสร้างความสุขสร้างความสงบขึ้นมาภายในใจ ให้ได้แล้วสร้างปัญญาไว้รักษาความสุขนี้ด้วยการยับยั้งการที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆเพราะความทุกนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกใจนี้เท่านั้นเองถ้าเราเลิกไปพึ่งสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกใจของเราได้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์เลย ถ้าเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราจะต้องเราจะไม่มีความทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายถ้าเราไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์กับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญถ้าเราไม่ต้องพึ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสผดตภะเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพลากจากรูปเสียงกลิ่นรสผดตภะไป นี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมพึ่งตัวเราเองหรือไม่รู้จักพึ่งตัวเราเองไม่ยอมก็คือรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองแต่ไม่ยอมพึ่งตนเองหรือว่าถ้าไม่รู้อันนี้ก็เพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสัตว์โลก ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบแบบหนึ่งก็คือพวกที่ไม่เคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ความจริงว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั้นก็คือตัวเองตนเองนี่เองอัตตาหิอัตนโนนาโถวพวกที่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ยังไม่นำเอาไปปฏิบัติก็เป็นพวกที่ยังไม่ยอมพึ่งตนเอง ยังอยากจะพึ่งสิ่งอื่นแทนพึ่งตนเองเพราะมันเป็นนิสัยที่ติดตัวมาเป็นเวลาอันยาวนา น, นการที่จะเลิกพึ่งสิ่งต่างๆนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เคยทำมาเป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันทุกพพทุกชาตินี้ที่เกิดมานี้ก็เกิดมาเพื่อพึ่งสิ่งต่างๆ ไม่ได้มาพึ่งตนเองเลยเกิดมานี้ก็มาพึ่งร่างกายพึ่งร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปพึ่งราบยศสรรเสริญไปพึ่งความสุขทางตาหูจมูกรินกายพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาทําอย่างนี้ใหม่พอมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พึ่งตนเองเอก็ไม่สามารถที่จะ พึ่งตนเองได้เพราะเวลาจะพึ่งตนเองนี้รู้สึกว่ามันทุกข์มันยากมันลําบากมันทรมานใจให้มาเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อทําใจให้สงบนี้เป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับผู้ที่ไม่เคยได้บําเพ็ญมาก่อนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนจะรู้สึกทําไม่เป็น เหมือนกับคนที่ไม่ถนัดในการใช้มือที่ไม่ถนัดนั่นเองปกติเราจะมีสองมือเราจะถนัดมือมือใดมือหนึ่งพอเราต้องใช้มือที่เราไม่ถนัดนี้เราจะรู้สึกว่ามันยากมันลำบากฉันใดการพึ่งสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกับการใช้มือที่เราถนัดถนัด เราถนัดกับการพึ่งสิ่งต่างๆเราถนัดกับการพึ่งร่างกายพึ่งลาบยศจะละเสริญสุขทางตาหูจมูกลล่นกายพอเราต้องหันมาพึ่งความสุขภายในใจพึ่งใจของเราให้ผลิตความสุขขึ้นมาเราจึงรู้สึกว่ามันทำยากเพราะเราไม่เคยทำเพราะเราไม่ถนัด แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยหรือเกินความสามารถของเราเลยเหมือนกับการที่เราต้องเปลี่ยนมือจากการใช้มือที่ถนัดมาใช้มือที่ไม่ถนัดเช่นถ้าเกิดอุบัติเหตุมือที่ถนัดนี้ไม่สามารถใช้การได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือที่เราไม่ถนัด ใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามันลำบากมันยากเย็ยนแต่พอทาไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดขึ้นมาเองแล้วมันก็จะชำนาญแล้วมันก็จะเหมือนกับใช้มือที่ถนัด ม, มันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมเท่านั้นเองไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เวลาเราทำใหม่ๆเรารู้สึกว่ามันจะยากมันจะลำบากเวลาที่เราไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนแล้วเราต้องขับรถยนต์นี้เวลาขับรถใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่ามันยากมันลำบากมันไม่ถนัดแต่พอเราหัดขับไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเกิดความถนัดเกิดความชำนาญขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะง่ายฉันใดการที่เราจะเปลี่ยน ที่พึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากในตอนเริ่มต้นเพราะเราไม่ถนัดที่จะพึ่งตนเองเราไม่ถนัดกับการเจริญสติเราไม่ถนัดกับการคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราไม่ให้คิดปรุงแต่งให้เหลือแต่สัตวารู้แต่ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมทาไปเรื่อยๆต่อไป เราก็จะสามารถทําได้เราจะสามารถควบคุมความคิดปรงแต่งของเราให้หยุดคิดได้สามารถทําใจของเราให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้แล้วก็สามารถเจริญปัญญาสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปพึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราสามารถที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้เราก็สามารถสร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็ไม่ต้องไปเพื่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องไปเพื่งลาบยศสนเสริญไม่ต้องไปเพื่งลูกเสียงกลิ่นลดปวดตาพาเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไป จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีเหมือนกันหมดเพราะพระพุทธเจ้ามีความสุขอย่างไรพวกเราก็มีความสุขอย่างนั้นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนที่พึ่งใหม่เท่านั้นเองตอนนี้เราไปพึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขใจเราจึงไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้า ตอนนี้พระพุทธเจ้ามีแต่ความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่พึ่งสิ่งที่พวกเรากำลังพึ่งกันอยู่นั่นเองคือไม่พึ่งร่างกายไม่พึ่งลาบยศสรรเสริญไม่พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะแต่ทรงพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเพื่อสร้างความสงบสร้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจให้เกิดขึ้นมา ใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเราจึงต่างกันตรงนี้ต่างตรงที่เราเดินกันคนละทางกันทางของพระพุทธเจ้านั้นทางไปสู่ความสงบสุขด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาส่วนทางของพวกเรานี้เป็นทางไปสู่ความทุกข์กันด้วยการพึ่งร่างกายพึ่งลาบยศ ส, สรเสิร์นพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผดฉ พ, พาะกัน ใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเดินทางกันคนละทิศทางเท่านั้นเองเราเดินทางสวนกับทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระองค์ทรงเดินไปทางเหนือพวกเราเดินไปทางใต้จุดหมายปลายทางจึงไม่เหมือนกันจุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ก็คือปรมังสุขขังส่วนจุดหมายปลายทางของพวกเราก็คือปรามังทุก ข, ขังต่อไปเราแก่ขึ้นมากขึ้นความทุกข์ก็จะมากขึ้นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีมากขึ้นความตายก็จะเป็นความทุกข์ขั้นสุดท้ายมีใครอยากจะตายบ้างถ้าต้องถูกตำรวจถูกตำรวจจับไปแล้วขึ้นศาล การตัดสินให้ประหารชีวิตจะรู้สึกอย่างไรลองคิดดูว่าความตายนี้มันสุขหรือมันทุกข์กันนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางที่พวกเรากําลังเดินทางไปกันถ้าเรายังเพึ่งร่างกายนี้อยู่เวลาที่ร่างกายรับการตัดสินจากผู้พิพากษาว่าให้ประหารชีวิตเนี่ยตอนนั้นแหละเราจะรู้คําว่าปรมังทุกขังนี้เป็นอย่างไรเอ นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมาช่วยพวกเราดึงพวกเราให้ถอนออกจากการเดินทางไปสู่ปรมังทุกขังกันให้มาเดินไปสู่ปรมังสุขขังกันแต่ทางที่จะไปสู่ปรมังสุขขังนี่มันก็เป็นทางที่ขุุขระพอสมควรมันไม่เหมือนกับทางที่ไปสู่ปรมังทุกขัง ทางไปสู่ปรมังมทุกขังนี้เป็นเหมือนทางลาดยางเรียบวิ่งรถยนต์วิ่งได้รวดเร็วสบายแต่จุดหมายปลายทางนี้มันน่ากลัวมากก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่ทางที่ไปสู่ปรมังมสุขขังนี้เป็นเป็นทางที่ขรุขระเป็นทางที่ไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้ลาดยางไม่ได้เทปูน เป็นเหมือนทางขึ้นเขาทางที่อยู่ในป่าในเขาต้องใช้รถระดับกับเคลื่อนสี่ล้อถึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ผู้ที่ปรารถนาที่จะไปสู่ทางเขาพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นแบบรถยนต์สี่ล้อรถยนต์ที่กับเคลื่อนสี่ล้อถ้าจะเป็นรถยนต์รถเกงที่วิ่งบนถนนลาดอย่างนี้ จะไปไม่ถึงต้องเป็นรถที่แข็งแกร่งมีกำลังมากถึงจะสามารถพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ผู้ที่บาเพ็ญจริงต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทนมีความกล้าหาญมีความเพียรที่แก่กล้าถึงจะสามารถเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาได้ ถ้าหวังที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับผู้ที่บำเพ็ญก็จะต้องมีความกล้าหาญอดทนไม่กลัวกับอุปสรรคต่างๆที่จะต้องเผชิญในการบำเพ็ญเพราะการบำเพ็ญ น, นี้จะต้องมีศีลแปดเป็นอย่างน้อย การรักษาสิ้นแปดกับการไม่รักษาสิ้นแปดนี้เป็นอย่างไรการไม่รักษาสิ้นแปดนี้มันง่ายจะตายอยากจะกินอะไรก็กินได้กินเวลาไหนก็กินได้กินถึงเวลานอนก็กินได้นอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะกินต่อก็กินได้แต่ผู้ที่รักษาสิ้นแปดนี้ทําไม่ได้รักษาสิ้นแปนี้มีเวลาของการรับประทานอาหารคือไม่รับประทานหลังจาก เพี่ยงวันไปแล้วผู้ที่ยังต้องการความสะดวกความสบายเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้ถ้าไม่สามารถรักษาศีลแปดได้ก็จะไม่มีกำลังที่จะเจริญสติไม่มีกำลังที่จะนั่งสมาธิทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอเวลาจะเจริญสติก็เกิดความเกลียดคร้านขึ้นมา เวลาจะนั่งสมาธิก็เกิดอาการง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาบำเพ็ญอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะได้ผลถ้ายังรักความสุขความสบายทางร่างกายอยู่ผู้ที่จะบำเพ็ญเพื่อความสงบสุขทางใจนี้จำเป็นที่จะต้องสละความสุข <c oughs> ทางร่างกายไปเช่นการรักษาศีลแปดนี้เป็นการบังคับให้พวกเราต้อง บังคับผู้ปฏิบัติให้สละความสุขทางร่างกายศิมข้อสามก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเอาเวลาที่ร่วมหลับนอนกันนี้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติสมาธิและปัญญากันไม่ให้รับประทานอาหารเกินเวลาเกินขอบเขต เกินความต้องการของร่างกายเพราะจะทำให้มีความเกลียดคร้คานเวลาร่างกายได้รับประทานอาหารมากๆจะไม่ค่อยอยากจะทำงานทาการอยากจะพักผ่อนหลับนอนเวลาจะนั่งสมาธิก็จะง่วงเหงาเหาวนอนจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารให้พอประทังชีพได้ก็พอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อน ให้ดับความหิวที่ที่เกิดขึ้นจากการต้องการอาหารแต่ไม่ให้รับประทานจนถึงกับท้องแน่นให้รับประทานพอประทางาความต้องการของร่างกายประทังความหิวไปก็พอดับความหิวเมื่อไม่มีความหิวจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกง่ายดาย เวลาเดินจงกรมก็จะไม่เกียจคร้านเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วก็ต้องสละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นพวกมหระรสศและบันเทิงต่างๆเพราะจะเอาเวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้ในการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างความสงบสุขให้แก่ใจนี้ไป ถ้าไปหาความสุขทางโมหรศกทางบันเทิงก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบาเพ็ญมาปฏิบัติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันนั่นเองจึงจำเป็นจะต้องสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ไปหาความสุขตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ไปหาสถานที่สงบวิเวก ตามป่าตามเขาที่ไม่มีแสงสีเสียงมาบรบกวนใจมาดึงใจให้ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะได้มาบําเพ็ญมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วมาเจริญปัญญาเพื่อทำลายความอยากต่างๆที่จะคอยดึงใจ ให้ออกจากการหาความสุขในการบำเพ็ญในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้นอนพอประมาณไม่ให้นอนมากเกินไปให้พักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกายวิธีที่จะทำให้พักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกายไม่นอนมากเกินไปก็ต้องนอนบนพื้นที่แข็งเช่นนอนบน บนบนพื้นไม้ไม่นอนบนฟูกหนาหนาเพราะถ้าเวลานอนบนฟูกหนาหนามันจะสบายเวลาที่หลับไปแล้วตั้งกายได้พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาหนามันก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมง ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้เวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิลุกขึ้นมาเดินจงกรมได้มาสร้างสติมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญามาสร้างความสงบสุขให้แก่ใจได้นี่แหละคือ ลักษณะของผู้ที่จะบำเพ็ญจะต้องเป็นเหมือนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยสี่ล้อเดลรถก็เรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกถึงจะสามารถพาจิตใจให้ไปสู่ปรมังสุขขังได้ถ้าอยากจะอยู่แบบสุขอย่างสบายเหมือนกับขับรถบนถนนที่ราบเรียบก็ต้อง เดินทางไปสู่ปรมังทุกขังในที่สุดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ัทรงบำเพ็ญมาแล้วน่ทรงได้รับประโยชน์มาแล้วถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลาบากก็ไม่เกินวิสัยที่มนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถทำกันได้ถ้าไม่สามารถทำกันได้แล้วก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏ ไม่มีพระอาหารหันตาสาวกมาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของพวกเราแต่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำกันได้จึงยังมีพระอาหารหันตาสาวกปรากฏกันอยู่มาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนจนถึงมาปัจจุบันนี้ก็มีบุคคลอย่างพวกเรานี้สามารถที่จะบําเพ็ญ สามารถที่จะปฏิบัติและได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้รับอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าเราอยากจะเลือกไปทางไหนกันเราอยากจะเลือกไปทางที่สะดวกสบายแต่ไปจุดไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราไม่ปรารถนากันหรือเราอยากจะไปในทางที่ยากลำบาก แต่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือปรมัหมสุขขังการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นทางที่ค่อนข้างที่ย า, ยากลำบากเหมือนกับการเดินทางาตามป่าตามเขาไม่เหมือนกับทางที่มีการทำถนนให้วิ่งอย่างสะดวกสบายจุดหมายปลายทาง ของการอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี้จะเป็นความทุกข์ในที่สุดนะเมื่อร่างกายนี้จะต้องถึงวันแกวันเจ็บและวันตายไปดังนั้นเราต้องพยายามพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆก็ะจะทำให้เราได้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปว่าชีวิตของพวกเราต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่เจริญไม่พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเราจะลืมไปเราจะคิดว่าชีวิตของเรานี้จะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ไปไดเรื่อยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยมันจะต้องมีวันที่จะต้องแก่จะมีวันที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะมีวันที่จะต้องตายไป ถ้าเราเห็นอนาคตของเราว่าจะเป็นอย่างนี้เราจะได้เปลี่ยนทิศทางของการเดินทางของพวกเราเปลี่ยนที่พึ่งของเราตอนนี้ยังไม่สายเรายังสามารถเปลี่ยนที่พึ่งได้เราหันมาสร้างที่พึ่งทางใจกันสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้วเราจะได้ความสุขความสงบของใจเป็นที่พึ่ง แล้พอเราได้แล้วเวลาที่ร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้เราจะไม่เดือดร้อนเลยคำว่าปรามังทุกขังนี้จะไม่เกิดขึ้นไหนจะมีแต่คำว่าปรามังสุขขังอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่ก็ตามร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็ตามร่างกายจะเป็นหรือจะตายใจนี้จะเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรายึดใจเป็นที่พึ่งถ้าเรายึดสติสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งเราจะมีปรมังสุขขังตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดขึ้นกับราบยศสรรเสริญที่พวกเราหากันที่พวกเราเคยพึ่งกันเราจะไม่ต้องพึ่งเขาอีกแล้วเขาจะอยู่เขาจะไปเราจะไม่เดือดร้อน เขาจ ะ, จะเจริญหรือเขาจะเสื่อมเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีที่พึ่งที่ถาวรแล้วที่พึ่งที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปจากเราก็คือที่พึ่งภายในนี้เองที่พึ่งภายในใจก็คือสติสมาธิปัญญาที่จะทำให้เกิดความสงบเกิดนัติสันติพลังสุขขังขึ้นมานัติสันติพลังสุขขังแปลว่า ไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะหันมาพึ่งกันและเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถพึ่งกันได้ทุกคนถ้าพวกเรามีความพยายามมีวิริยะมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ได้ท่งคนพบความสุขอันประเสริฐนี้แล้ว แล้วทรงนำเอาวิธีการสร้างความสุขนี้มาสั่งสอนมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลอย่างแน่นอนเพราะถ้าว่าถ้าพวกถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเรา เพราะถ้าสั่งละสั่งสอนไปแล้วแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่ได้ผลก็สั่งสอนไปให้เสียเวลาแล้วก็จะกลายเป็นการโกหกหลอกลวงแต่คนอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงเป็นคนที่พูดความจริงดังที่บทพระธรรมคุณที่ได้ตัดไว้ว่าสวากขาโตภะวตาธโมรมของตถาคตนี้สวากขาโตภะกวตาธโม เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็คือเป็นความจริงทั้งนั้นทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้จเจริญสติจเจริญปัญญาจเจริญสมาธิแล้วก็จะได้ปรมังสุขขังอันนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครที่จะมาพิลบล้างได้ถึงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง2500กว่าปีผู้ใดที่นำนำเอาคำสอนของฝ่า พระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี้จะไม่มีใครมามาบ่นมาประท้วงว่าเป็นคำสอนที่ไม่เป็นความจริงเลยมีแต่มายืนยันมารับประกันตามที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกคนคือพระอาลาลนตระสาวกทุกรูปทุกองค์นี้จะเป็นผู้ที่รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวาขาโตพระกัตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้ว พวกเราจรึงไม่ต้องลังเลสงสัยถ้าเหมือนกับการไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเรามีเพื่อนที่เขาไปซื้อมาแล้วเขาขับแล้วเขาว่ารถยี่ห้อนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รับประกันได้เราก็เชื่อแบบนั้นได้ถ้าเราอยากได้รถดีเหมือนกับเพื่อนกับที่เพื่อนเขาได้รถดีเราก็ไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อที่เขาซื้อนี้แล้วเราก็จะได้รถยนต์แบบเดียวกันได จะเราจะไม่ผิดหวังเพราะเรามีผู้มารับรองรับประกันก็คือเพื่อนของเราเพื่อนที่เราไว้ใจได้ฉันใดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีพระอาลันตสาวกเป็นผู้ที่รับรองรับประกันคุณภาพของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตาม แต่ความวคำสอนของพระเจ้านี้ก็ยังมีการรับประกันมีการรับมีการยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการสามารถยังประโยชน์คือปรมังสุขขังให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ทุกๆุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นค่าวลาวเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นเชื้อชาติชนชาติเผ่าไหนไม่สําคัญ สำคัญอยู่ที่ว่ามีศรัทธาที่จะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่มีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหรือไม่ถ้ามีแล้วสามารถจเจริญสติจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาได้ผลก็จะต้องได้รับอย่างแน่นอนเพราะนี่มันเป็นอากาลิโกทมของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลา ถ้ามีเหตุก็จะมีผลตามมาถ้ามีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาผลก็คือปรมังสุขขังหรือบรลมสุขก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่จะต้องเป็นสมัยพุทธกาลเท่านั้นถึงจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถึงจะบรรลุถึงพระนิพพานได้ จะมีบัลมัสุขได้นะมีได้ทุกยุคทุกสมัยในปัจจุบันนี้ก็มีได้ในอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็มีได้เพราะความจริงของเหตุของผลนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลานั่นเองจึงขอให้พวกเราพุ่งไปที่การเจริญเหตุพุ่งไปการยึดตนเป็นที่พึ่งของตน ด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาแล้วเราจะได้บรมมาสุขเป็นผลตอบแทนและเราจะไม่ต้องหวั่นไหวไปกับความแก่ความเจ็บและความตายของร่างกายเพราะทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจที่มีแต่บรมมาสุขได้เลย จึงขอฝากเรื่องของการนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ถือตนเป็นที่พึ่งของตนนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรนที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนาระโสยาทถามณิโชติ ภระสยถาสภีติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภลาง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาขอความกรุณาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อจะได้ฟังคําถามและคําตอบได้ชัดเจนถ้าปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบคําถามไม่ให้ถามอีกต่อไปนั้นถ้าใครอยากจะถามขอความกรุณาถามตอนที่เปิดไมโครโฟนนี้ถามได้ทุกคําถามถ้าจะตอบได้ ถ้าไม่มีคำถามก็จะให้พิธิกรถามปัญหาที่ฝากถามมาทางอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ถ้าใครต้องการถามก็ยกมือขึ้นต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณอาบิวหนูนั่งสมาธิมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่ทำให้หนูนั่งไม่ตลอดหนึ่งชั่วโมงคืออาการเหน็บกิน ทำให้ปวดขาท่อนบนมากมักจะเกิดขึ้นตอน3นาทีสุดท้ายซึ่งหนูก็พยายามที่จะผ่านความปวดไปให้ได้แต่ก็ไม่ได้ทําให้หนูต้องออกจากสมาธิในช่วง3นาทีสุดท้ายทุกครั้งโปรดให้คําแนะนําหนูด้วยค่ะก็ต้องพยายามปฏิบัติเจรลสติให้มากขึ้นหลังจากที่เรานั่งจนทนไม่ไหวแล้ว เวลาเราเลอกนั่งเราก็ไม่ควรที่จะเลิกเจริญสติเราควรจะลุกขึ้นมาจเจริญสติต่อเช่นมาเดินจงกรมแล้วก็มาเจริญสติถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปเดินไปจนกว่าจะเมื่อยแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ทำอย่างนี้ไปคือการปฏิบัตินี่ถ้าต้องการให้มันได้ผลจริงๆนี้มันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ทาภารกิจอย่างอื่น ถ้าเราทำเพียงแต่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็มักจะได้ผลแค่นี้คือนั่งได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะหมดกำลังแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันสลับกันไปเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิเราจะมีกำลังสติมากขึ้นไปตามลำดับแล้วกำลังสตินี้จะทำให้เราสามารถฟันฝ่าความเจ็บของร่างกายฟันฝ่า ความอยากที่จะลุกนี้ขึ้นไปได้ตอนนี้ที่เรานั่งได้เท่านี้ก็เพราะว่ากำลังของสติของเรามีเท่านี้สู้ความอยากไม่ได้พอถึงขีนหนึ่งแล้วก็หมดกำลังแต่ความอยากนี้เขามีกำลังมากกว่าสติเขาจึงผลักให้ใจของเราออกมาจากการนั่งออกมาเดินออกมาทำอะไรต่างๆตามความอยาก ถ้าเราอยากจะเอาชนะความอยากนี่เราต้องพยายามต่อสู้ด้วยการเจริญสติตลอดเวลาควรจะทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเพราะการเจริญสตินี้สามารถสามารถทำควบคู่กับภารกิจการงานต่างๆได้เช่นเวลาเราทำกิจเกี่ยวกับกิจส่วนตัวล้างหน้าล้างตาแปรงฟันนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับการกระทำก็ถือว่าเรามีสติแล้ว อย่าปล่อยใจให้เราไปคิดเรื่องต่างๆในขณะที่เรากำลังทําภารกิจทางร่างกายให้อยู่กับภารกิจทางร่างกายเพียงอย่างเดียวให้ใจเฝ้าดูภารกิจทางร่างกายอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าใจจดจ่ออยู่กับภารกิจก็ถือว่ามีสติแล้วก็จะสามารถใช้สตินี้ให้ใจนี้อยู่กับ การบริกรรมพุทโธเวลานั่งหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกได้ก็จะสามารถนั่งได้นานขึ้นและสงบมากขึ้นไปตามลำดับเหตุที่จะทำให้ใจของเราสงบนี้ก็คือสตินี่เองไม่ใช่เวลาไม่ใช่ท่าของการเดินหรือของการนั่งจะเดินไปทั้งวันถ้าเดินแบบใจลอยก็ไม่มีผลที่จะ ท, ทาให้เกิดความสงบขึ้นมา คนที่เดินเที่ยวทั้งวันทั้งคืนใจก็ไม่สงบมันไม่ได้อยู่ที่การเดินหรือการนั่งอยู่ที่การมีสติในระหว่างที่เราเดินในเวลาที่เรานั่งหรือไม่งั้นเราพยายามสร้างสติกันขึ้นมาคืออย่าให้ใจลอยไปที่ที่อื่นให้อยู่ที่ปัจจุบันให้อยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายกําลังทําอะไรใจก็ต้องทําอย่างนั้นกับร่างกายไปทําควบคู่กันไป ทำเหมือนกันร่างกายแปลงฟันใจก็แปลงฟันด้วยร่างกายรับประทานอาหารใจก็รับประทานอาหารด้วยอย่าปล่อยให้ร่างกายรับประทานอาหารไปคนเดียวแล้วใจก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าอาการของการใจลอยใจไม่มีสติถ้าใจอยู่กับการทำงานของร่างกายทาควบคู่ไปกับร่างกายเรียกว่ามีสติ แล้วพอมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เนี yeah. คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเราจะสามารถระงับความเครียดแค้นอาฆาตผู้อื่นภายในใจเราได้อย่างไรคะความจริงมันก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็ใช้สตินี้ก็ได้เวลาเราโกรธใครเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิด อย่าส่งใจเราไปหาคนที่ทำให้เราโกรธอย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้เราคิดอยู่คำว่าพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องราวที่ทำให้เราโกรธไปความโกรธก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีที่ไม่ถาวรแก้ได้ชั่วคราวแก้ได้ขณะที่เราบริกรรม พอเราหยุดบริการพุโทโธพอไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าเราต้องการก <c oughs> ำจัดความโกรธอย่างท้าวรเราต้องเข้าไปหาต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานี่เองเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้พอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธ ถ, ถ้าเราไม่อยากโกรธเราก็อยากไปอยาก เขาจะทำอย่างไรก็ปล่อยเขาทำไปรับ ร, บรบองได้ว่าเราจะไม่มีวันโกรธเช่นคนที่เราไม่รู้จักเนเขาจะทำอะไรไปดีหรือเชื่อขนาดไหนเราไม่โกรธเขาเลยเพราะเราไม่มีความอยากที่จะให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้แต่คนที่เรารู้จักโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวเรานี่แหมมันเป็นปัญหาแลยเกนอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำก็โกรธขึ้นมา สาเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเราถ้าเราอยากจะดับความโกรธอย่างถาวรเราต้องอยาบไปอยากปล่อยเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาพิจารณาเขาว่าเป็นอนัตตาไปเหมือนเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศนี่เราไม่ค่อยไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้เป็นไปดังใจอยากแต่ได้คนใกล้ตัวเราหรือคนที่ทาให้เราโกรธก็แบบเดียวกันนั่นแหละ อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือทำอะไรให้กับเราถ้าเราไม่มีความอยากกับเขาแล้วเราจะไม่มีวันโกรธเขานี่คือการแก้อย่างถาวรต้องแก้ที่ความอยากของเราคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามดิฉันนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วเห็นมีแสงสีขาวอยู่ตรงกลางแต่ข้างๆจะเป็นสีดำแล้วก็รวมตัวกันมาหยุด ตรงกลางจนเป็นก้อนสีดำแล้วก็แตกออกแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกสลับกันไปมาถ้าจะปฏิบัติให้ก้าวหน้ากว่านี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรคะไม่ต้องไปสนใจกับแสงที่ปรากฏมาให้เห็นให้สนใจอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราจเจริญพุทโธเราก็พุทโธต่อไปถ้าเราจเจริญอนาปนาสติดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูลมไปอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับภาพเสียงหรืออะไรที่มาปรากฏให้เรานับรู้ถ้าเราไปจ่อไปจ้องดูสิ่งที่ปรากฏเราจะไม่ได้ภาวนาแล้วแล้วเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเราจะติดกับท่าเรียกว่าติดนิมิตติดภาพติดเสียงก็จะไม่ได้อัปปนาสมาธิเพราะถ้าจะได้อัปปนาสมาธิจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเหมือนกับการเดินทาง เวลาเราเดินทางเราต้องการ จ, จะไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องนั่งอยู่ในรถใช่ไหมขับรถไปเรื่อยเรื่อยเราจะไม่ลงจากรถจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเราขับรถไปกลางทางมีมหรสบมีมีตลาดนัดมีอะไรต่างๆเราจอดรถแวะลงไปชมไปเที่ยวไปดู เราเราก็อาจจะลืมขับรถกลับบ้านได้แล้วก็จะติดอยู่ตรงสถานที่นั้นไปอันใ ก, การนั่งสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้ระหว่างทางที่จะไปถึงจุดหมายคืออัปปนาสมาธินี้จะมีนิมิตต่างๆให้เรารับรู้มีอะไรต่างๆมาเป็นสิ่งที่คอยล่อหลอกใจเราถ้าเรารู้ไม่ทันเราไปสนใจเราก็จะหยุดภาวนาพอเราหยุดภาวนาเราก็จะติดอยู่ตรงนั้น เราต้องภาวนาต่อไปเหมือนกับขับรถนั่งขับรถกลับบ้านเราเห็นอะไรกลางทางเราก็ไม่จอดรถเราก็ไม่หยุดรถไม่ลงจากรถเราก็ขับรถของเราต่อไปเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านการภาวนาก็แบบเดียวกันเราก็ต้องดูลมหายใจไปเรื่อยๆหรือพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีอะไรมาปรากฏให้เรารับรู้ก็ตามดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันจะวูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบอ่อตกเหวแล้วก็นิ่งสงบอันนั้นแหละเป็นอัปปนาสมาธิหรือคันนิกะสมาธิถ้าอยู่เดียวๆก็คั้นนิกะถ้าอยู่ได้นานก็เป็นอัปปนาสมาธิคำถามต่อไปจากคุณฟาเลกการวิราชีลแปดนานๆจะทำให้เพื่อนบาปหรือเปล่าคะกรณีทานข้าวร่วมกัน เพราะกลัวว่าจะทําให้เพื่อนๆญาติๆมีปัญหานะคะคือคนที่ถือสินแปนี้มากจะต้องไปไปปริกวิเวจะสะดวกกว่าถ้ายังอยู่กับคนอื่นนี่ก็เอาศินห้าไปก่อนหรือศินแปแบบเงียบๆไม่ต้องบอกเขาสิ่งไหนที่เร า, เาต้องทํากับเขาเราก็ทําไปสิ่งไหนที่เราไม่ต้องทำํำเราก็รักษาของเราไปอาจจะอาจจะไม่ได้ศินแปดครบร้อยก็ไม่เป็นไร ดีกว่าไม่รักษาเลยแต่ถ้าอยากจะได้ศีลแปดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ต้องไปอยู่กับพวกที่ถือศีลแปดด้วยกันเน่ยคือต้องเลือกบุคคลที่สับ ป, ปายะการบําเพ็ญนี้ต้องหาบุคคลที่สัปปายะอยู่ด้วยกันสัปปายะก็คืออยู่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเพราะปฏิบัติเหมือนกัน ถือศีลแปดเหมือนกันไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันนี่มันสบายถ้าคนหนึงน 5, นหน่งถือศีลห้าคนหนึ่งถือศีลแปดนี่มันจะไม่ค่อยสบายพอถึงเวลาเขากินเขาก็เกรงใจเราเขาก็อยากจะโชวนให้เรากินไอเราก็เกรงใจเขาก็เลยต้องกินกับเขาอ่า <c oughs> <c oughs> งก็ต้องถ้าจะถือศีลแปดหรือถือศีลห้าก็ต้องดูสถานที่ดูบุคคลที่เราอยู่ด้วยว่าเราสามารถที่จะถือได้หรือไม่ ถ้าเราอยากจะถือศีลห้าหรือถือศีล8ปดแล้วเราอยู่กับเขาไม่ได้เราก็ต้องแยกทางกันไปอยู่วัดไปอยู่ที่เรานักษาได้คำถามต่อไปจากคุณเก๋ข้อแรกช่วงนี้เวลาใช้ชีวิตประจำวันบางทีก็มีสติรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นจิตจะท่องบทสวดมนต์เองบ่อยครั้งเวลาจะเดินไปไหน แค่เก้าขาเก้าแรกก็กระทบรู้จิตเบาและนุ่มนวลแต่บางทีก็เหมือนปล่อยไปเลยคือจิตไหลไปตามความคิดพอเรารู้ว่าเราเผลอคิดมันก็กลับมารู้รู้ตัวแป๊บเดียวแล้วก็ไหลต่อยาวถ้าเจอสภาวะอย่างนี้ต้องท่องพุทโธกำหนดด้วยไหมคะมันจะได้ไม่ไหลยาวหรือว่าแค่ไหลรู้ไหลรู้ไปเรื่อยๆ เ, เจ้าคะ วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ใจหยุดไหลก็แล้วกันอย่าให้มันไหลจะพุโทโธแล้วหยุดมันไหลก็ใช้พุโทโธถ้ารู้ว่าไหลแล้วมันหยุดไหลก็รู้ว่าไหลไปก็ได้ข้อที่สองทำอาณาปานาสติระหว่างวันรู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวไปเรื่อยแต่พอไปถึงจุดหนึ่งลมมันราบเรียบมากแล้วก็เกิดปิติสุข สักพักความสุขก็ดับไปก็ตามดูลมต่อทําสลับกันไปมาปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอย่างนี้คือวิปัสสนาหรือไม่และควรพิจารณาทําอะไรต่อไปเจ้าคะการดูลมหายใจเข้าออกนี้เป็นสมถภาวนาการเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าออกเพื่อทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้เข้าสู่ความสงบ อันนี้เรียกว่าสมถภาวนาถ้าวิปัสนาภาวนานี้จะต้องมีการพิจารณาแยกแยะเหตุแยกผลแต่การดูลมเฉยๆนี่ไม่เรียกว่าเป็นวิปัสนาถ้าดูลมแล้วเป็นวิปัสนาต้องพิจารณาว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสนาคือเห็นอ น, นิจจังในลมเห็นอ น, นิจจังในร่างกายเราจะเห็นทุกขังเพราะเวลาตายนี้มันจะทุกข์ ทุกเพราะอยากไม่ตายก็จะเกิดปัญญาว่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องอยากไปอยากไม่ตายยอมตายแล้วก็จะไม่ทุกข์นี่ก็จะเป็นวิปัสสนาแบบนี้แต่ถ้าดูลมเฉยๆรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกรู้ว่าอยากรู้ละเอียดนี่เรียกว่าสมถภาวนาทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตกลุมตกบอ่อแล้วก็วุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบนะแล้วลมก็หายไปบางทีร่างกายก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้ อันนกก็เรียว่าาสมาธิคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูมีปัญหาเวลานั่งสมาธิแล้วถึงจะไม่รวมเป็นอปนาแต่ก็มีความสงบไม่คิดฟุ้งซ่านมากแต่ติดตรงที่นั่งไปสักพักใหญ่แล้วจะรู้สึกอยากลุกพอลุกแล้วก็รู้สึกเสียดายว่าเราหน้าจะนั่งต่อและเป็นแบบนี้แทบทุกครั้งที่นั่งสมาธิ หนูควรจะใช้อบายอย่างไรเมื่อนั่งไปแล้วรู้สึกอยากลุกเพราะหนูอยากนั่งต่ออยากไปถึงอัปปนาค่ะก็อย่างที่บอกแล้วถึงแม้อยากจะนั่งมันก็นั่งไม่ได้ถ้าสติมันหมดกำลังเหมือนกับรถยนต์ถ้าน้่มันมันหมดอยากจะขับไปให้มันไปไกลกว่านั้นก็ไปไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันไปก่านนั้นก็ต้องเติมน้ามันมากๆแต่ไม่มันเต็มถังถ้าเติมเต็มถังมันก็ไปได้ไกลอย่าไปเสียดายเงินเติมมัน ให้เต็มถังพวกเราเสียดายความสุขทางอื่นกันเราเลยไม่ค่อยยอมจะมาเติมน้ำมันทางใจกันคือไม่ค่อยยอมจเจริญสติกันเสียดายความคิดกันชอบคิดแล้วกินคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังกันมันมันสุกกันพอมานั่งสมาธิสติมันก็มีกาลังน้อยมันก็นั่งได้ไม่นานมันก็หมดกาลังอย่างนั้นถ้าเราอยากจะ นั่งได้นานเราก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นหยุดความคิดหยุดการเที่ยวกา ร, ก, ารกินการเล่นให้มันน้อยลงไปแล้วสติก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานคำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่เคยนั่งสมาธิรู้สึกจิตสงบมีความสุขมากแต่ไม่รู้ว่าขั้นใด แต่เวลาถอนจิตออกมาน่าจะมีความสุขแจม่มใสแต่ปัจจุบันจะนั่งให้ได้ความสงบเหมือนก่อนได้เหมือนเดิมจำไม่ได้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับว่าการจะเข้าสมาธิแบบเดิมสามารถเข้าได้โดยวิธีใดบ้างจะมีทางเข้าให้จิตสงบนานเหมือนเดิมได้ไหมครับก็วิธีเดียวกับที่เราเคยเข้านั่นแหละเราเคยเข้าประตูไหนเราก็เข้าประตูนั้นไปเลย ถ้าเราจาไม่ได้เราก็ต้องหาดูกลับไปคิดดูว่าขาวที่แล้วเวลาที่เรานั่งแล้วจิตเราสงบนี้มันสงบเพราะอะไรถ้าไม่รู้ก็ถือหลักที่พระเจ้าสอนก็ได้ว่ามันสงบเพราะสติใจไม่ลอยไปลอยมาใจอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวมันก็จะสงบได้แต่อย่าไปเกิดความอยากให้มันสงบเหมือนข่าวที่แล้วก็แล้วกันเพราะความอยากนี่แหละจะเป็นตัวปิดประตูจะทาให้เราไม่สามารถ เข้าสู่ความสงบแบบที่เราเคยเข้าได้ดังนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเราอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงความสงบที่เราเคยได้แล้วอยากจะได้ถ้าเราอยากจะคิดก็ให้คิดว่าก่อนจะนั่งว่าเหตุที่ทำให้เราสงบนั้นเป็นอย่างไรแล้วพอเวลาเรานั่งเราก็จะเรียนเหตุนั้น ถ้าเราดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้ใจเราสงบคราวที่แล้วคราวนี้เราก็ทําแบบเดียวกันเราก็ดูลมหายใจเหมือนกับคราวที่แล้วมันก็จะสงบเหมือนกันแต่ถ้าเรามานั่งแล้วเรามานั่งแต่คิดว่าอยากจะให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วทําไมไม่สงบสักทีและยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ดังนั้นเราต้องอย่าไปคิดถึง ความสงบที่เกิดขึ้นในอดีตและอยากจะให้มันสงบเหมือนในปัจจุบันเพราะความอยากให้มันสงบนี้มันไม่มีวันที่จะทําให้มันสงบได้แต่เหตุที่จะทําให้มันสงบได้ก็คือเหตุเดียวกันที่ทําให้มันสงบในอดีตนั่นแหละเราต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่รู้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็ได้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ อย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะสงบเองและสมาธิที่สงบสุขยาวนานแบบนี้เรียกสมาธิในขั้นใดครับก็ถ้สั้นก็เรียกว่าคาิกะสมาธิถ้ายาวก็อัปปนาสมาธิคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกการที่เราบวชพระหลายๆครั้งจะเป็นอะไรไหมสมควรหรือไม่ เพราะผมได้บวชมาแล้วสามครั้งและก็ตั้งใจจะบวชอีกเป็นครั้งที่สแต่ผมรู้สึกไม่สบายใจที่ผมบวชหลายรอบเ er. หตุผลที่ผมไม่มาสามารถตัดทางโลกแบบเด็ดขาดได้เนื่องจากผมยังมีพ่อแม่และภาระครอบครัวที่ผมยังต้องดูแลแต่ผมก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากครับ การบวชที่แท้จริงที่จะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต้องบวชแบบไม่ศึกนะบวชแบบพระพุทธเจ้าบวชแบบพระสาวกทั้งหลายถ้าบวชแล้วศึกมันก็มันก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรหรือไม่ได้ประโยชน์เลยเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆนั้นเวลาชาติจะบวชก็ให้ดูตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านบวชกันแบบไม่ศึกกัน ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะบวชอย่างนั้นก็อย่าไปเสียเวลาบวชข้อที่สองการบวชพระในช่วงเข้าพรรษาแล้วผิดหลักในพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับคือการบวชในทางพุทธศาสนานี้บวชได้ตลอดเวลาเวลาไหนก็ได้ถ้าพร้อมถ้าทุกอย่างพร้อมที่นี้ในสมัยปัจจุบันเลืน่นในทางธรรมเนียมที่ได้มาปฏิบัติกันมานี้เขาจะนิยมบวชตอนก่อนเข้าพรรษากัน เพื่ออยู่จำพรรษากันเน้นเวลาบวชแล้วพอเข้าพรรษาแล้วเขาจะไม่มีการบวชกันเพราะว่าหนึ่งที่อาจจะเต็มไม่มีที่สองเขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับพิธีกรรมการบวชเพราะว่าจะต้องมีการเรียนมีการสอนเน้นตามธรรมเนียม น, นี้มักจะไม่บวชกันในช่วงหลังเข้าในระหว่างพรรษาแล้วจะบวชกันก่อนเข้าพรรษา แล้วก็ถ้าจะสึกก็ต้องรอให้ออกพรรษาก่อนแล้วค่อยสึกอันนี้เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติแต่การการการปฏิบัติจริงนี่ท่านไม่มีข้อห้ามว่าจะบวชเมื่อไหร่หรือจะสึกเมื่อไหร่ถ้ามีศรัทธาอยากจะบวชแล้วมีคนจะบวชให้ก็บวชได้แล้วถ้าอยากจะสึกเมื่อไหร่ก็สึกได้ไม่ไม่มีข้อห้ามอะไรคำถามต่อไปจากกุลปัญชายาครั้งแรกที่หนูนั่งสมาธิ หนูนั่งในห้องนอนที่มีน้องๆ น, นอนด้วยตอน5นาทีแรกหนูก็ยังได้สินได้ยินเสียงต่างๆจิตก็คิดไปต่างๆนานาพอสักพักทุกอย่างเริ่มมืดหนูเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเริ่มไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกถึงลมหายใจหรือเสียงใจเต้นหนูกลัวจนต้องถอนสมาธิสิ่งที่เกิดนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่คะ ไม่รู้สึกถึงอะไรเลยจนทำให้กลัวที่จะนั่งสมาธิต่อพอถอนสมาธิก็รู้สึกตัวหัวใจค่อยๆเริ่มเต้นช้าๆค่ะการนั่งสมาธิก็เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในให้ดึงออกจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรานั่งเข้าไปแล้วใจถูกดึงเข้าไปมันก็จะเสียงต่างๆมันก็จะหายไป อารมณต่างๆที่เราได้รับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหายไปซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำสมาธิการทำสมาธิก็เพื่อต้องการเข้าสู่ความว่างความไม่มีอะไรเพราะความว่างนี้เป็นความสงบอย่างยิ่งนั่นเองดังนั้นเวลานั่งแล้วก็ถ้าเวลาเสียงหายไปหรืออะไรหายไปข้อสาคัญขอให้ตัวสติอย่าหายไปก็แล้วกันคือตัวรู้ต้องรู้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้ กำลังนั่งอยู่กำลังอยู่กับอะไรกำลังอยู่กำลังอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบถ้ารู้อย่างนี้ก็ดีไม่มีปัญหาอะไรคำถามต่อไปจากคุณกะโนกพรมีคนนั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบเหมือนหลับไปเขาไปรู้เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาของคนอื่นทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จัดว่าเป็นการส่ง ส่งจิตออกนอกเพื่อไปรู้อารมณ์ภายนอกหรือจิตยอยู่กับตัวแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นคะฝึกมากๆจะมีผลเสียไหมคะการไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะรู้ด้วยญาณก็ดีเรือ ร, ร, รู้ด้วยความคิดปรุงแต่งของตนเองก็ดีนี่ไม่เป็นประโยชน์กับการทําใจให้สงบเพราะมันใจไม่สงบนั่นเอง การปฏิบัติเพื่อใจสงบนี้เราต้องการให้ใจว่างปราศ จ, จากเรื่องราวต่างๆที่ผลิตขึ้นมาโดยใจเองก็ดีหรือออกไปรับรู้จากผู้อื่นก็ดีเพราะจิตนี้มีความสามารถสําหรับจิตบางคนนี่สามารถที่จะออกไปรับรู้เรื่องราวของคนอื่นได้ไปรับรู้ถึงความคิดของคนอื่นได้ว่าตอนนี้กําลังคิดถึงใครกาลังห่วงใครกําลังอยากจะเจอใคร อันนี้แต่มันไม่เป็นประโยชน์กับผู้ผู้รู้เพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ใจสงบไม่ได้ทําให้ใจมีความสุขถ้าไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าทะเละทลัยไม่เดินทางไปสู่ อ, อจุดหมายปลายทางที่ควรจะไปก็คือไปสู่อัปปนาสมาธิไปสู่สัคตะวารุสไปสู่แต่ความสงบอันนั้นที่เราต้องการไป ถ้าจิตเป็นอย่างนั้นต้อก็นดึงกลับมาหาการภาวนาต่อก็เหมือนกับการไปเห็นภาพต่างๆอะไรต่างๆที่ได้ตอบไปแล้วในครั้งตอนต้นมีคนถามว่าเห็นภาพแล้วเห็นเป็นสีเป็นอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันแต่ต่างกันเป็นเรื่องเป็นราวไปเท่านั้นเองมันก็เป็นการทะเลถลายของจิตนั่นเองแทนที่จะทำงานการภาวนาเพื่อ ทำให้จิตรวมเข้าสู่อัปปนามันก็จะไม่เข้าเมื่อมันไม่เข้ามันจะไม่มีกำลังที่จะออกไปเจริญวิปัสสนาต่อไปการปฏิบัติมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นไม่ก้าวหน้าคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าถือศีลแปดกินหลังเที่ยงไม่ได้แต่เป็นคนน้ำหนักน้อยกว่าที่ควรเป็นอันนี้จะถือได้ไหมคะหรือทาเฉพาะวันพระก่อนดีคะ คืออย่าไปกังวลเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเลยก็ถ้าเราอดแล้วไม่มีปัญหาร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นปกติก็ก็รักษาไปได้ถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ร่างกายก่อนมีโยมฝากมาถามค้าว่าอย่างในขณะที่มานั่งทําบุญนะคะแล้วเห็นข่ำพะอาคารในอีก ในอิริยาบถที่ท่านพิจารณาอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นตักหยิบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยค่ะแต่ไม่ได้ขำแค่ขณะที่ท่านทาขนาดนั้นอย่างเดียวค่ะกลับไปบ้านแล้วก็เอาอยัางเอาไปคุยกันวิาพากวิจาร์แล้วก็ขำแล้วก็หวัวเราะอย่างเงี้ยค่ะเป็นบาปไหมคะมันไม่เป็นประโยชน์นคือพระเจ้าสอนว่าควรดูตัวเราเองดีกว่าดูว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ทาถูกหรือทผิด อันนี้จะเป็นประโยชน์กว่าถ้าเราทําผิดเราจะได้แก้ไขได้ถ้าเราทําถูกเราจะได้พยายามทำให้มันดีขึ้นต่อไปไปดูคนอื่นแล้วเอามาหัวล็อกคิดครับนี่มันก็เหมือนกับไปดูหนังดูละครเท่านั้นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเปล่าๆไม่บาปหรอกบาปมันต้องเกิดจากการไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบาป คำถามทางบ้านหมดแล้วที่นี่มีใครอยากจะถามไหมตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามได้เชิญมาสการครับอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสได้ฟังคําเทศนาขององค์หลวงพ่อนะฮะมีช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อเทศคําว่าหลงในปวังครับอยากกราบขอเมตตาความหมายในคํานี้ครับ อาตมาก็จะไม่ได้นะว่าพูดในลักษณะไหนหลงในผวังเรืองการที่ยอมจําผิดหรือเปล่าเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่เคยพูดแบบนี้นะเรามักจะพูดว่าผวังมีสองแบบผวังหลับกับผวังสมาธิถ้าถ้าวูบไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เรียกว่าเข้าสู่ผวังหลับถ้าวูบแล้วรู้ว่าจิตสงบจิตนิ่งก็เรียกว่าผวังสมาธิ มันก็มีอยู่สองผวังนี่ต้องไปเปิดฟังดูใหม่เลออค่อยเขียนมาดีกว่าเพราะเวลาเราฟังแล้วบางทีเราจำไม่ไม่ครบเรามาพูดอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้มันไม่สามารถที่จะจับประเด็นได้ว่ามว่าเป็นอะไรอย่างไรครับมันสการก กลับถามพระอาจารย์ค่ะอย่างปกติเวลาฟังเท่ไหนอะค่ะพอพอฟังอย่างอย่างลืมตามองหน้าพระอาจารย์เนี่ยบางทีก็จะเห็นเป็นว่าเป็นเหมือนอเป็นโครงกระดูกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอหลับตาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนว่างไปเลยเหมือนเหมือนมีแต่เสียงไม่รู้สึกว่ามันว่างไปแต่ทีนี้มันไม่รู้ว่าจิตจะต้องทํำยังไงต่อไปอยังไงอะค่ะคือการฟังธรรมนี่ควรจะฟังอยู่ที่เสียงไม่ควรที่จะส่งจิตไปผู้แสดง เพราะว่าเราต้องการสาระของธรรมที่เราได้ยินการฟังธรรมนี้ก็จะมีประโยชน์อยู่สองลักษณะถ้าเราฟังธรรมได้ยินเสียงแต่เราไม่เข้าใจความหมายแต่เราจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นก็จะทําให้ใจเรารวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจความหมายเข้าใจเหตุเข้าใจผลเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ที่เราจะ สามารถนําเอาไปใช้ดับความทุกข์ได้ต่อไปอก็ฟังแบบนี้ให้ฟังสองแบบแต่อย่าไปฟังแล้วไปดูจ้องดูหน้าคนแสดงแล้วก็ไปปรุงแต่งดูว่าเป็นโครงกระดูกบ้างดูว่าเป็นอะไรบ้างดูได้แต่มันดูเวลาอื่นก็ได้แล้วก็ไม่ควรไปดูคนที่เขาแสดงทำคนจะไปดูคนที่เรามีการมาหลมด้วย เ, เพราะว่าคนที่เขามี เราดูแล้วเกิดการอารมณ์นี่เราก็ต้องดูอสุภะของเขาเพื่อที่จะดับการอารมณ์ได้อันนี้เหมือนกับ ก, กินยาต้องกินให้ถูกเวลาเวลาที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปกินยามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องกินยาตอนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันถึงจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้การอารมณ์นี่ก็ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งสาหรับคนที่เป็นนักบวชหรือคนที่ถือศีลแปดพอเกิดการอารมณ์นี้มันจะ ทรมานใจเพราะมันไม่สามารถที่ระบายการอารมณ์ได้เพราะมันรักษาศีลอยู่วิธีที่จะระบายให้มันหายไปก็ต้องใช้อสุภะพอเรามีอสุภะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามเดี๋ยวการอารมณ์มันก็จะดางหายไปดับไปได้นิดนึงค่ะนี้แสดงว่าถ้าเกิดอย่างอย่างปกติเนี่ยเวลาเวลามองคนทั่วไปบางทีอยู่ๆมันก็เห็นเป็นโครงกระดูกอย่างนี้คือเราก็ไม่ เห็นก็ได้ไม่เป็นไรก็ดีเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะเห็นเพื่อเป็นการทบทวนความจําก็ได้เผื่อเวลาที่เราจะต้องเห็นมันจะได้เห็นได้ต้องเห็นตอนที่เราเกิดการอารมณ์ถ้าเราไม่เกิดการอารมณ์เห็นไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคแต่ถ้ามีการอามรมณ์แล้วเห็นการอารมณ์มันจะดับวุบลงไปเลยอ่ามีใครอีกไหม ตอนนี้เปิดให้ถามได้เต็มที่นะพอปิดไา้แล้วอยากเข้ามาถามนะถ้าไม่มีก็คิดว่าขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ได้ยินได้ฟังไปในวันนี้นำอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร